อะไรคือมองคลมงคลก็คือความสุขความเจริญทางจิตใจนั่นเองไม่ใช่ความเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัแต่เป็นความสุขของใจ คือความอิ่มใจความเบาใจสบายใจความเจริญของใจก็ ค, คือการยกระดับพบภูมิให้สูงขึ้นไปจากมนุษย์ไปสู่เทพสู่พรมสู่พระอริยบุคคลตามลำดับนี่คือความหมายของควาว่ามงคล ความสุขความเจริญทางจิตใจพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีเจริญมงคลไว้ในมงคลลูตรมีมงคลอยู่สามสิบแปดวิธีด้วยกันหรือสามสิบแปดขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งและที่สองคือ การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งอะเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเอตัมมังกาลมุตตมังนี่คือมงคลเริ่มต้นการกระทำที่เป็นมงคลที่เริ่มที่เป็นจุดเริ่มต้น ของความเป็นมงคลทั้งหลายเริ่มต้นอยู่ที่การรู้จักคบคนถ้าคบคนผ่านคนผ่านคือคนอย่างไรคนผ่านในทางศาสนาหมายถึงคนง่หมายถึงคนไม่ไมดีคนไม่ฉลาดคนไม่ดีส่วนบัณฑิต คือคนฉลาดคนดีถ้าเราครบกับคนโง่คนไม่ ด, ไม ด, ไ ด, ดีเขาก็จะพาให้เราโง่พาให้เราไม่ดีไปกับเขาถ้าเราคบคนดีคบคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราดีพาให้เราฉลาดไปกับเขานั่นเองจึงต้องรู้จักเลือกคบคน พ่ะเราชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่คนเดียวตามลําพังเราเป็นมนุษย์สังคมที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาอาศัยเราเราอาศัยเขาเราถึงจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราอยู่ตามลําพังเราก็จะอยู่อย่างยากลําบาก เวลาที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาหรือเกิดความอดอยากขาดแคลนขึ้นมาถ้าเราอยู่คนเดียวก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันหลายๆคนเช่นในครอบครัวเรามีพ่อแม่มีพี่น้องอยู่ร่วมกัน เวลาคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังมีคนอื่นมาช่วยกันดูแลบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กันได้ดังนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อเราอยู่โลกอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องรู้จักเลือกคน เลือกคนดีเลือกคนฉลาดเพราะคนดีเขาก็จะสอนให้เราดีพาให้เราดีคนฉลาดเขาก็จะสอนให้เราฉลาดคนโง่ก็จะสอนให้เราโง่คนไม่ดีก็จะสอนให้เราไม่ดีตามเขานี่คือการครบคน เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญยังต้องคบคนดีอไม่คบคนไม่ดีนะคที่คนดีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็มีมาตรฐานของคนดีเป็นตัวอย่างในพุทธศาสนาคนดีทางพระพุทธศาสนา คนฉลาดของพระพุทธศาสนาที่ฉลาดที่สุดและดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะการกระทําของท่านแต่ละรูปไม่มีข้อตําหนิไม่มีข้อบกพร่องไม่มีการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนกับผู้อื่นมีแต่การกระทาที่มีคุณมีประโยชน์กับผู้อื่นผู้ใดที่ได้เข้าพบปะได้รู้จักได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกจะได้รับแต่ประโยชน์สุขเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้รับโทษไม่ได้รับความทุกข์ นี่แหะคือบุนคคลที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตที่ฉลาที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าตามด้วยพระอาริยสงสารวกที่ได้เลือกพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้คบค้าสมาคมด้วยจึงได้ดิบได้ดีจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลจากพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถสอนปุถุชนอย่างพวกเราให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาให้เป็นพระโสดาบันให้เป็นพระสกิดาคามีให้เป็นพระอนาคามี ให้เป็นพระอาหารหันต์นี่แหละคือบัณฑิตที่เราควรที่จะเข้าหากันตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้จากไปแล้วคือศัลีละร่างกายของพระพุทธเจ้าได้จากไปแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่กับพวกเรา อยู่ในพระไตยปิฎกอยู่ในคำพีของพระพุทธศาสนาที่พวกเราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ความจลาดจากระคัำพีได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแต่คำสั่งคำสอน อันประเสริฐของพระพุทธเจ้ายังอยู่กับพวกเราถ้าเราเข้าหาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่คือเราต้องเข้าหาบัณฑิตคือพระธรรมคําสอน นอกจากพระธรรมคําสอนเรายังมีพระอริยสงสาวกที่ได้ศึกษาได้นาเรียนจากคําสอนหรือจากพระพุทธเจ้านะจากพระอริยสงสาวกที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้ามาตามลําดับมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้การผลิตพระอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนายังมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเหมือนโรงงานที่ผลิตรถยนต์มีการผลิตรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องมีไม่ขาดตอนมีรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อได้เอาไปขับ ท่านใดพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็เช่นกันเเป็นเหมือนนักศึกษาที่ได้จบระดับปริญญาต่างๆลหลังจากที่ได้จบปริญญาแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐ ให้ต่อผู้ที่มีความสนใจต่อไปผู้ที่มีความสนใจพอได้ศึกษาได้น่มเรียนไม่ช้าก็เร็วก็จะได้จบปริญญาของทางศาสนาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก็ มีอยู่ตั้งแต่เจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถความฉลาดของผู้ที่ศึกษาลร่มเรียนไม่มีเวลาตายตัวเหมือนในมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้สี่ปีแต่ทางศาสนานี้ กำหนดตามความรู้ความสามารถของผู้ที่ศึกษาบางท่านก็สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันบางท่านก็บรรลุได้ภายในเจ็ดเดือนบางท่านก็บรรลุได้ภายในเจ็ดปีนี้เป็นหลักประกันคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ รับรองเองด้วยพระองค์เองว่าถ้าใครได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าจะสามารถบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปี นี่แหละคือการเข้าหาบัณฑิตการครบกับคนฉลาดคบกับคนดีจะทำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นคนดีคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์จะทำให้เราได้เป็นพระอริยบุคคลกันถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคล เราก็จะเป็นระดับพรหมหรือระดับเ ท, เทวดาหรือเป็นระดับมนุษย์ที่ดีนะมนุษย์เราก็รู้กันว่ามีทั้งดีและไม่ดนะีมีทั้งสุขและมีทั้งทุกขนะ์แต่ถ้าเราคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้แต่ความสุขและความดีความรู้ความฉลาด ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรของพวกเราเองว่าเราจะมีความภาคเพียรพยายามที่จะตักตวงความรู้ตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองไม่มีใครมาห้ามขอความรู้และประโยชน์ของศาสนานี้ มีจำนวนไม่อั้นไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่จะรับนักศึกษาได้ตามปริมาณที่มีลองที่มีสถานที่รองรับไว้จะรับเกินไม่ได้แต่ทางศาสนาพุทธนี้นับได้หมดใครต้องการสมัครเป็นพระอริยบุคคล รับสมัครทุกคนไม่ต้องสอบเอ็นท่านใครต้องการขอให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าชีวิตของพระอริยสงสาวกุกขอให้ศึกษาคำสั่งคำสอนที่เป็นวิธีดำเนินชีวิตของท่านนะครับ ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราได้กระทำตามที่ท่านได้สั่งได้สอนได้ปฏิบัติได้กระทำกันไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นเหมือนท่านนี่คือเรื่องของการครบบัณฑิตไม่ครบคนผ่านถ้าครบคนพ่านเราจะไปอีกทางหนึ่ง เพราะคนพานี้เป็นคนโง่คนไม่ดีคนพานี้จะชอบทำในสิ่งที่ไม่ดีทำที่ทาสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าไปอยู่กับเขาไปคบค้าสมาคมกับเขาเขาก็จะชวนให้เราไปทำตามเขา อะไรคือการกระทาของคนพาลของคนโง่ก็คือการกระทาบาปการเสพอบายามุขนี่เป็นนี่เป็นการกระทาของคนพาลของคนโง่ที่บัณฑิตจะไม่ทาโดยเด็ดขาดถ้าไปคบกับคนที่ชอบเสพอบายามุขชอบทาบาป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 ความเกียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดคร้านนี่คืออบายามุขที่เราต้องอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะคําว่าอบายามุขนี้แปลว่าทางเข้าของอบายอบายคืออะไรคือความเสื่อมของจิตใจที่จะดึงจิตใจของมนุษย์ให้ต่ําลงไปนั่นเอง จากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเกิดจากการเสพอบายามุกเป็นเหตุการเสพอบายามุกนี้เท่ากับการมไปยืนอยู่ที่ทางเข้าของอบายผู้ที่อยู่ปากทางเข้าของอบายกับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากทางเข้าของอบาย ใครจะเข้าง่ายกว่ากันเนคนที่อยู่ปากทางแล้วพอจะเข้าก็เข้าไปเพียงได้ย่างก้าวเดียวก็เข้าไปแล้วแต่ผู้ที่ไม่เสบอบายามุกนี้อยู่ไกลจากอบายจะเข้าอบายได้ยากกว่าเพราะอะไรเพราะเวลาเสบอบายามุกนี้มีแต่รายจ่ายมีแต่การสูญเสีย ทรัพย์สินต่างๆไปนั่นเองแล้วถ้าไม่ตอบถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วทรัพย์สินก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปทำบาปเพื่อหาทรัพย์สินมาใช้ต่อนั่นเองเพราะคนที่เสพบาบายามุขนี้จะไม่ไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริญ ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตการก็คือการทําบาปหาเงินทองด้วยการโกหกหลอกลวงหาเงินทองด้วยการลักขโมยหรือหาการเงินทองด้วยการป้นการจี้การฆ่าผู้อื่นนี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการที่ไปคบคนพาล คนไม่ดีเนีจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วจะปลอดภัยจากภัยต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจเนจิตใจจะไม่ถูกกระชากลงต่ำเนจิตใจลงต่ำหรือขึ้นสูงนี้เกิดจากการกระทำของเราเองเนเกิดจากการครบกับคนอื่น ครบกับคนอื่นเขาชวนเราทำครบกับบัณฑิตเขาก็ชวนให้เราดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นครบกับคนพาลเขาก็จะดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำนี่คือมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราครบกับบัณฑิต เราก็จะได้เรียนรู้มงคลต่างๆที่จะตามมาอีกสาสิบหข้อนะถ้าเราครบกับคนพาลเราจะไม่รู้คนพาลจะไม่รู้มงคลข้อใดข้อหนึ่งเลยรู้แต่วิธีที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำรู้จักวิธีสร้างอัปมงคลทางการกระทำที่เป็นอัปมงคลที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษต่อจิตใจ ของผู้กระทอนี่คือเรื่องของคนพาลและบัณฑิตที่เราควรที่จะทำความรู้จักเพื่อเราจะได้รู้จักหลีกเรื่องรู้จักเลือกคบคนถ้าคบคนที่เสพอบายามุขเล่นการพนันดื่มสุราเที่ยวเตะ มีความเกลียดข้านหรือชอบคบคนที่เสพอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยอันนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรที่จะคบด้วยถ้าคบคนที่ชอบทำบาปชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมานี่นี่เป็นบุคคลที่เราไม่ควรเข้าใกล้ แต่ก็ไม่ได้ให้เรารังเกียจเขาถ้าเรายังต้องอยู่ร่วมกันเนื้อบางกรณีต้องทํางานร่วมกันเราก็สามารถทําได้งานก็ส่วนงานส่วนเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวไปเวลาทํางานก็เป็นเวลาทําความดีซึ่งคนคนพ่านมักจะไม่ค่อยมาทํางานกันนะ คนที่ทำงานส่วนใหญ่มักจะเป็นคนดีกันคนพานก็จะไปเที่ยวเตะไปเข้าบ่อนเข้าซ่องแทนแล้วก็ไปลักขโมยไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบแต่ถ้ามีคนที่ร่วมงานเขาชอบดื่มสุราเวลาเลิกงานเขาชวนดื่มสุราเราก็ปฏิเสธเขาไปด้วยไมตรีจิต ไม่ต้องไปนังเกียดเขาไม่ต้องไปว่าเขาเพียงแต่ปฏิเสธว่าเราไม่ดื่มไปเท่านั้นหรือจะบอกว่าเราถือศีลห้าก็ได้หรือจะบอกว่าเราเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนชอบคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เรากระทามไม่ให้เสพอบายามุข เ, เราก็ไม่เสพ อันนี้เพราะว่าเราบางทีก็เลือกคบไม่ได้เลือกคบคนไม่ได้เวลาที่เราไปทำงานเราจะไปเลือกบริษัทว่าบริษัทนี้อย่ามีคนที่ดื่มสุรานะอย่ามีคนที่เล่นการพนันถ้าเป็นเลือกแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้งานทำนะก็ต้องอยู่กันได้ทำงานร่วมกันได้ไม่นังเกลียดกัน แต่ถ้าให้ไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงห้ามไม่ให้ทำก็อย่าไปทำเท่านั้นเองอันนี้เราอย่าเกงใจคนอย่าเสียใจอย่าเสียดายคนอย่าเสียดายเพื่อนเพราะถ้าเราเสียดายเพื่อนเราจะเสียตัวเราเองไปกับเขา กลัวถ้าเราไม่ทำตามเขาเขาจะไม่คบเราเป็นเพื่อนถ้าเราครบกับเขาทำตามเขาเราก็จะเสียตัวไปเสียความดีของเราถ้าเราไม่ไปทำตามเขาเราก็จะไม่เสียความดีของเราดังน้เราต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้ความเกง อ, อกเกงใจ ถ้าจำเป็นที่จะต้องไม่คบกันเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ช่วยไม่ได้อย่างน้อยเราเสียเพื่อนแต่เราไม่เสียตัวดีกว่าได้เพื่อนแล้วเสียตัวเสียตัวนี่แก้ยากเสียเพื่อนนี่แก้ง่ายมีคนมากมายเยอะแยะไปในโลกนี้ไม่ใช่มีคนคนเดียวหาเพื่อนใหม่ได้หาบัณฑิตได้หาคนดีได้ เวลาซื้อผลไม้เราอย่างเลือกกันเลยใช่ไหมเจอผลไม้เน่าเราก็ไม่เอานะเราก็เลือกเอาแต่ผลไมด้ดีไม่ใช่ว่าผลไม้จะมีแต่เน่าอย่างเดียวผลไม้ก็มีทั้งดีแล้วทั้งไม่ดีเวลาเราซื้อผลไม้ซื้อผักซื้ออะไรเราก็เลือกเอาของดีของไม่ดีเราก็ไม่เอานะขนก็เหมือนกัน กอก็เป็นเหมือนผลไม้เหมือนผักที่เราบริโภคถ้าเราบริโภคของดีมันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายแต่เราเลือกคนดีมันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจมีแต่จะเสริมคุณเสริมประโยชน์ให้กับจิตใจยิ่งจะได้คบคนระดับพระอริยบุคคลได้ เขาจะดึงให้เราขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดได้ถ้าครบคนระดับมนุษย์ที่ดีเขาก็จะดึงให้เราเป็นแค่มนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ดีก็คืออะไรก็คือผู้ที่ไม่ทำบาปผู้ที่ไม่เสบบาบายยมุคนี่เองถือว่าเป็นมนุษย์ที่ดแีแต่ถ้าอยากให้ครบกับมนุษย์ที่เป็นเทพนี่เราต้องครบกับคนที่นอกจาก ไม่เสบะบายามุกไม่ทำบาปแล้วยังทำบุญยังทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นดูแลสงเคราะห์ผู้อื่นตั้งแต่คนใกล้ตัวออกไปตั้งแต่บิดามารดาผู้มีพระคุณญาติสนิทมิตรสหายถ้าเขาเกิดการเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ เขาจะช่วยเหลือถ้าเป็นคนที่มีจิตใจเป็นเทพเขาจะหาความสุขจากการทําบุญแทนที่จะหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเขากลับชอบหาความสุขจากการทําบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแผ่ความการุณาให้แก่ผู้อื่นเป็นความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี่คือร ะ, ระดับที่สองของคนที่เราจะเลือกครบระดับหนึ่งก็เลือกคนที่ไม่ทำบาปไม่เสบอบายามุกระดับที่สองถ้าเลือกได้ก็คือคนที่ชอบทำบุญด้วยไม่เสบอบายามุกแล้วก็ยัง ชอบทําบุญไม่ทําบาปเราก็ยังชอบทําบุญเชื่อช่วงนี้จะมีเพื่อนมาชวนไปทอดกรถินกันเยอะแยะไปหมดไปไหมไปกระถินวัดนั้นกรถินวัดนี้ไหมนี่ยเป็นพวกเทวดามาชวนให้เราไปเป็นเทวดากันดีกว่าพวกที่มาชวนไปเที่ยวไหมไปไปเที่ยวไปบ่อนนั้นบ่อนนี้ไหม ไปที่ชายแดนมีบ่อนเยอะแยะอยู่สามวันเจ็ดวันไปดื่มไปกินไปดูคาบารุ่งคาบาเล่อะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของคนโง้อคนที่จะเด้งเราลงต่ำอย่าไปถ้าอยากจะไปสูงต้อง คบกับคนที่ไม่ไม่ทำบาปไม่เสพอบายามุขและชอบทำบุญถ้าอยากจะคบกับถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับเทพก็ต้องคบกับคนที่ชอบไปถือศีลอยู่วัดเนี่ยคนที่ชอบไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปฟังเทศฟังธรรมไปฝึกสมาธิฝึกปัญญา ถ้าได้คบกับคนเหล่านี้เขาก็จะชวนเราไปวัดเวลาเขาจะไปวัดเขาก็ถามไปไหมการคบกับคนเหล่านี้ก็ดีเพราะถ้าเราไม่เคยไปวัดเราจะได้อาศัยเขาเป็นคนนำทางเพราะเราไม่รู้ว่าวัดไหนเป็นอย่างไรบ้างวิธีที่จะเข้าวัดแต่และ ว, วัดนี้ทําอย่างไรก็บางทีกล้าจะทําให้ไม่กล้าหรือไม่อยากทาถ้าถ้ารู้สึกว่ามันยาก แต่ถ้ามีเพื่อนที่เคยไปแล้วเขารู้วิธีว่าวิธีเข้าวัดนี้ทำอย่างไรไปแล้วปฏิบัติอย่างไรมีเขาไปเป็นมักขุเทศเป็นเพื่อนพาไปก็จะทำให้เราไม่รู้สึกก็เขินไม่รู้สึกยากลำบากช่วงแรกๆ ก, ก็ตามเขาไปพาให้เขาพาเราไปพาไปแล้วก็บอกวิธีการอยู่การพัก ว่าเขาอยู่เขาพักกันอย่างไรเขาทำอะไรกันอย่างไรอันนี้แนะมีเพื่อนที่ดีดีอย่างนี้เพราะว่าทางที่ดีนี้ทางที่สูงกว่าที่เราเป็นอยู่นี้เรายังไม่เคยไปกันเราต้องอาศัยคนที่รู้จักทางพาเราขึ้นสูงถ้าไม่มีคนเราก็จะไม่รู้จักวิธีขึ้นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าการเป็นเทพ อยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องคบคนที่ชอบถือศีลถือศีลแปดชอบไปอยู่วัดชอบไปฝึกสมาธิชอบไปฟังเทศฟังธรรมนะพอเราไปกับเขาเราก็จะได้ฝึกการรักษาศีลแปดที่เราไม่เคยรักษามาก่อนเราอาจจะรักษาได้เพียงศีลห้าแต่ไม่เคยรักษาศีลแปด พอไม่รู้ว่ารักษาไปทำไมไม่รู้ว่าทำไมต้องไปนั่งสมาธิทำไมไม่รู้ว่าทำไมต้องไปฟังเทศฟังธรรมทำไมพอได้คบกับคนที่ชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรมชอบนั่งสมาธิเขาก็จะอธิบายให้เราฟังบอกให้เรารู้ว่าเป็นการยกระดับจิตใจเพิ่มมงคลให้กับชีวิตของเรา มงคลชีวิตของเรามีเป็นระดับระดับระดับมนุษย์ก็เป็นมงคลระดับหนึ่งระดับเทวดาก็เป็นมงคลอีกระดับหนึ่งระดับพรมก็เป็นมงคลอีกระดับหนึ่งระดับพระอริยบุคคลก็เป็นอีกระดับหนึ่งนที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันมาก่อนว่าเรามีการมีมีฐานะที่เราสามารถ ยกระดับชีวิตของเราให้ขึ้นสูงได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องการเจริญด้วยการเสื่อมของจิตใจของพวกเราเราจะไปรู้เพียงแต่การเจริญทางร่างกายของพวกเราส่วนใหญ่คนที่มาเกิดในโลกนี้จะไม่รู้เรื่องจิตใจ จะไม่รู้เรื่องของการเจริญหรือการเสื่อมของจิตใจจะรู้เพียงแต่การเจริญหรือการเสือ่อมทางโล ก, กธรรมแปดคือราบยศสรรเสริญสุกนี่เองทุกคนเกิดมานี้แสวงหาแต่ราบยศสรรเสริญสุกกันเพราะเป็นการให้ความสุขกับตนนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่ล่อแหลมต่อ การที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำผู้ที่หาลาภยศสรรเสริญสุขนี้บางครั้งก็อาจจะต้องหาโดยวิธีทำบาปพอทำบาปก็เลยดึงจิตใจให้ลงต่ำโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้แต่ถ้าได้มาพบกับบัณฑิต ท, ทางพระพุทธศาสนาท่านก็จะบอกว่า การเจริญทางลาบยศสารเสริญสุกนี้เป็นการเจริญชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นการเจริญควบคู่ไปกับร่างกายตราบใดที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็ร่างกายก็สามารถหาลาบยศสารเสริญสุกได้แต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราเจ็บไข้ได้ป่วยหลือ จะตายนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหาราบยศสะรรเสริญสุขมาเสพได้และเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจและอาจจะคิดผิดดึงจิตใจให้ลงต่ำโดยไม่รู้สึกตัวเช่นการคิดฆ่า ต, ตัวตาย การฆ่าตัว ต, ตายนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำบาปเหมือนกับฆ่าคนอื่นนะครับไม่ต่างกันค่าตัวเราเองฆ่าคนอื่นก็เป็นการฆ่าเหมือนกันอันนี้ก็พอทำบาปแล้วก็จะดึงจิตใจให้ลงต่ำไปแต่ถ้าได้มาศึกษาทางศาสนาศ า, ส, าสนาก็บอกว่าการ การสร้างความสุขความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงนะและนอกจากไม่ได้สร้างแล้วยังอาจจะดึงให้จิตใจลงต่ำได้ด้วยนะนะอันนี้พอรู้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหลงทางนั่นเอง เพราะว่าไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขความเจริญไม่ได้เป็นมงคลถึงแม้จะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีก็ตามหรือเป็นใหญ่เป็นโตระดับนายกระดับประธานาธิปดีก็ตามแต่จิตใจไม่ได้ขึ้นสูงไปกับความเจริญเหล่านี้ดีไม่ดีอาจจะไปคนละทางกันก็ได้ถ้าไปหาลาบยศสารเสริญ หาความสุขด้วยวิธีทาบาปต่างๆจิตใจไปทางหนึ่งลาบยศสรรเสริญไปอีกทางนะึกรวยขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นสูงสูงขึ้นแต่จิตใจกลับลงต่ำเพราะไปทาบาปทำด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดระจฉานทำด้วยความโลภก็เป็นเปรตทำด้วยความ กลัวก็เป็นเอาศูน ล, ละกายทำด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกเนี่ยอันนี้เป็นการกระทำต่อจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำร้ายตัวเองทงั้งๆที่คิดว่ากำลังทำประโยชน์ให้กับตนเองด้วยการได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมา ก, กันแต่ทางจิตใจนี่กลายเป็น ทำกวามนุษย์ไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้ากระทาด้วยการกระทาบาปแต่ถ้าไม่ได้กระทาบาปก็ไม่ได้ทาให้ไม่ได้ดึงจิตใจให้ลงต่ำแต่ก็ไม่ได้ดึงจิตใจให้ขึ้นสูงจิตใจก็อยู่เท่าเดิมได้ลาบยศมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้จิตใจขึ้นสูงได้จะให้จิตใจขึ้นสูงก็ต้องทำประโยชน์ ต้องเอาราบยศที่หามาได้นี้ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือเอาไปทำบุญทาทานนั่นเองวันก่อนได้อ่านข้อความข้อหนึ่งไม่ทราบว่าจริงหรือไม่แต่เขาอ้างว่าเป็นคำพูดของพระเทพท่านบอกว่าชีวิตของเรานี่เราทำประโยชน์ให้กับเราสองอย่างเท่านั้นคือกินและศึกษาใช้วหานอกนั้นท่านบอกว่าท่านทาประโยชน์ให้กับคนอื่น ท่านจึงได้ชื่อว่าพระเทพเนี่ยท่านเป็นเทพเนี่ท่านทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากกว่าทําอะไรให้กับตนเองท่านบอกว่าท่านทําประโยชน์ให้กับตนเองเพียงสองอย่างคือกินแล้วก็ศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้มาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนี่แหละ คนที่ได้ลาบยศสารเสริญครจะยึดแนวทางของพระเทพเป็นตัวอย่างถ้าเรามีกินมีใช้เหลือกินเหนือใช้แล้วอย่าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจถ้าอยากจะให้จิตใจเราขึ้นสูงจากความเป็นมนุษย์ให้ขึ้นสู่การเป็นเทวดาเป็นเทพก็ทำบุญทำทานกัน ถึงแม้ไม่มีเงินไม่มีทองก็ยังสามารถทำบุญทำทานได้โดยวิธีอื่นโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้เช่นใช้แรงกายของเราเนี่ยเรามีเวลาว่างเรามาเป็นจิตอาสากันมาทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยวิธีต่างๆแล้วนะแต่เราจะชอบจิตอาสาแบบไหนอยากจะไปอาสาช่วยที่โรงพยาบาลก็ไปที่โรงพยาบาล ที่โรงเรียนก็ไปโรงเรียนหรือที่มูลนิธิต่างๆเช่นร่วมกับตันยูปอเต็กตึงหรือไปตามวัดตามวาต่างๆเพื่อไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแต่ถ้าอยู่เฉยๆเอาแต่กินแต่นอนหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่ทําบาป ก, ก็จริงไม่เสพอบายามุกก็จริงก็เพียงแต่รักษาให้จิตใจไม่ลงต่ำเท่านั้นเองแต่จิตใจไม่ได้เจริญขึ้นมีคนเคยส่งคําถามก็มาถามว่าถ้าเขาไม่ทําบาปแต่เขาไม่ได้ทําบุญจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรเขาบอกถ้าเขาไม่ทําบาปเขาก็มีความพอใจเขาไม่เห็นจําความจําเป็นว่าจะต้องทําบุญแต่อย่างใด ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่ทำบาปก็ไม่มีโทษตามมาไม่ดึงจิตใจให้ลงต่ำแต่ถ้าไม่ทำบุญก็ไม่มีบุญจะดึงให้ขึ้นสูงนั่นเองถ้าอยากจะขึ้นสูงจิตใจของเรามีหลายระดับที่เราสามารถพัฒนายกให้ขึ้นสูงได้จากมนุษย์เราก็ยกขึ้นให้เป็นเทพได้ด้วยการทำคุณทำประโยชน์ ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นเริ่มต้นต่แต่คนในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่เราพึงที่จะทำคุณทำประโยชน์ก่อนถ้าท่านเดือดร้อนถ้าท่านขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือต้องการดูแลต้องต้องดูแลคนใกล้ตัวเราก่อนโดยเฉพาะบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งแต่ถ้าท่านอยู่ดีกินดีท่านไม่เดือดร้อน เราก็ไปดูแลผู้ที่เขาเดือดร้อนต่อไปได้แต่ต้องดูแลพระอรหันต์ในบ้านก่อนก่อนที่จะไปดูแลพระอรหันต์นอกบ้านอย่าลืมพระอรหันต์ในบ้านคือพ่อแม่ของเราพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกับพระอรหันต์มีพระคุณกับเราต่างกันตรงที่พระคุณของพ่อแม่คือพระคุณทางร่างกาย กำเนิดให้กำเนิดเราแล้วก็เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากทุกยากลำบากอย่างไรก็อดทนเลี้ยงดูเราจนเราจะรินเติบโตขึ้นมาแล้วยังพยายามส่งเสียให้เราได้รับการศึกษาในระดับต่างๆจนเราสามารถมีวิชาความรู้ไปทำมาหากินเลี้ยงชีพไปมีครอบครัวได้ เราก็อย่าลืมบุคคลที่มีพระคุณกับเราบางคนพอมีครอบครัวก็เลยมาวุ่นกับการเลี้ยงดูครอบครัวของตนจนลืมเลี้ยงดูพ่อแม่ไปมีคำพูดว่าพ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนนี้กลับเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้ก็เพราะว่าขาดความกะตันอยู่ขาดความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดา ขาดความกตัญยูกตวเวทีคือการทดแทนบุญคุณของผู้มีพักุลนะครับถ้าไม่ทำบุญก็อย่างนี้ก็จิตใจก็ไม่ขึ้นสูงถ้าไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ลงต่าก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์นี้ไปเรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำบุญก็จะยกระดับให้ขึ้นสูงขึ้น ไปเป็นเทพแล้วพอได้เป็นเทพแล้วอาจจะพาให้เราได้ไปคบกับพวกที่เป็นพรหมต่อไปพอเราทำคุณทำประโยชน์เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอพวกที่เขาถือศีลพวกที่อยากชอบภาวนาชอบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราก็จะได้คบกับพวกที่เป็นระดับพรหมกัน พอพบกับเขาเดี๋ยวก็เขาก็อาจจะชวนเราหรือเราอาจจะสนใจอยากจะไปปฏิบัติแบบเขาก็ได้เห็นเขาเข้าวัดเขา้าวาเห็นเขาฝึกสมาธิเห็นเขามีจิตใจที่เย็นที่สงบที่มีความประพฤติที่ดีที่สวยงามมันก็อาจจะดึงดูดจิตใจของเราให้เราอยากจะทำตามเขาก็ได้เราก็า จ, จะได้มี โอกาสได้ไปอยู่วัดกันไปหัดถือศีลแปดกันไปเรียนรู้วิธีฝึกสมาธิทาใจให้สงบว่าทำอย่างไรเนี่ยพอเราได้ไปทำเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ทำได้ของทุกอย่างในโลกนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกหัดเวลาเราเกิดมาใหม่ๆเราก็ฝึกเห็นฝึกเดินฝึกกินฝึกดื่มฝึกพูด สามารถทำได้กันทุกคนขอให้มีคนสอนนั่นเองขอให้มีคนสอนและขอให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาและทำตามคำสั่งคำสอนไม่เกียดกลั้นไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนายไม่ยอมแพ้ถ้าพยายามศึกษาพยายามฝึกฝนอบรมไปต่อไปก็จะทำได้ ทุกคไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นพระอารหันต์ทันทีหรือเป็นพระทันทีหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมทันทีทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้กันมาหัดกันพอหัดเรียนรู้แล้วก็ต่อไปก็ทำได้ใช่ไสมัยก่อนผู้หญิงไม่ขับรถกันเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่ดียมเขาไม่คิดว่าผู้หญิงขับขับรถได้ก็เลยไม่มีใครหัดขับรถกัน แต่ต่อมาเริ่มมีผู้หญิงคนนั้นคนนี้เริ่มมาหัดขับรถพอผู้หญิงเห็นตัวอย่างคนอื่นเห็นตัวอย่างก็อยากจะขับแทนก็ไปหัดขับกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับรถได้เยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้มันอยู่ที่การสนใจที่จะศึกษาสนใจสนใจที่จะฝึกหัดที่จะปฏิบัติถ้าอยากจะทำอะไรที่คนอื่นทำได้นี้ ถ้าเราอยากจะทำเราก็ไปหัดทำเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ทำได้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นอยากเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัตินอกจากการไม่ทําบาปไม่เสพอบายามุขแล้วเราก็ต้องมาทาบุญทาคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น เลือกทำได้ทาบุญแบบที่เราชอบพอเรามีชอบทําบุญแบบนั้นไม่ชอบทําบุญแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะบุญแต่ละชนิดก็เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่เราเลือกรับประทานได้แล้วเวลารับประทานแล้วผลก็ได้เหมือนกันหมือได้ความอิ่มของร่างกายถ้าทําบุญชนิดต่างๆก็ได้ความอิ่มของจิตใจ ถ้าเราชอบทำบุญกับแมวกับสุนัข ก, ก็ทาบุญกับแมวกับสุนัขทาบุญกับนกกับปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาทาบุญกับวัวควายก็ไปปล่อยวัวปล่อยควายไปถ่ายชีวิตเขาถ้าชอบทำบุญกับเด็กก็ไปช่วยเด็กให้ทุนการศึกษาเด็กชอบคนชอบเด็กพิการคนพิการก็ไปช่วยเหลือคนพิการ ชอบคนแก่ก็ไปช่วยเหลือคนแก่ดูแลคนแก่แล้วแต่ถ้าเราทำในบุญชนิดที่เราชอบเราจะมีความสุขใจมากกว่าเราไปทำบุญชนิดที่เราไม่ชอบเราไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรแต่เราไปทำแบบที่เราเห็นผลทันตาเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเรา มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจเอบใจขึ้นมามีความสุขใจเนั้นโดยมันจะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปชอปปิง้งไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นเพราะความสุขที่ได้จากการทำบุญได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังนั่นเอง มันจะช่วยทำให้เรานี่ไม่ต้องดินน้นรนหาเงินหาทองเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปชอปปิ้งแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมันจะคอยให้เราไปเที่ยวไปกินคอยจะดึงให้เราไปเป็นเหมือนยาเสพติดเพราะว่าเวลาใดที่เราไม่ได้กินได้กินได้ดื่มได้ดูได้ฟังเราจะรู้สึกหงุดหิดรู้สึก าอารมณ์ไม่ดีเราก็เลยต้องไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปชอบไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆเพื่อมาบรรเทาความหมงุดหงิดลำคาญใจเท่านั้นเองมันก็ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปเราก็ต้องไปดิน้ดนรนไปทำงานหาเงินหาทองพอต้องหาเงินหาทองถ้าหาไม่พอใช้ก็อาจจะถูกบีบให้ไปทาบาปก็ได้แต่ถ้าเรา มาทำบุญแทนมาทำคุณทำประโยชน์ตามกำลังของเราตามมีตามเกิดของเรามันจะลดความกดดันให้เราไปหาความสุขจากการไปกินไปเที่ยวไปดื่มกันมันจะทำให้เราไม่ต้องไปดิน้นรนหาเงินหาทองแบบแบบไม่ถูกต้องหาได้มากหาได้น้อยเราก็อยู่ได้เพราะเราไม่เดือดร้อนกับการที่ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มนั่นเอง นี่คุณประโยชน์ที่จะได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จากการที่เราทำทำบุญทำคณทาประโยชน์เนี่นะ่ะเรียกว่าวิธีแผ่เมตตาของทางศาสนาให้แผ่แบบนี้สุขีอัตานังปริหะรันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดจะมีได้อย่างไรถ้าเราอยู่เฉย ให้เขามีความสุขเราก็ต้องช่วยเหลือเขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาแบ่งปันข้าวของเงินทองหรืออะไรให้กับเขาเขาถึงจะมีความสุขได้เนี่คนที่ทำบุญทำทานนี่เรียกว่าเป็นคนที่กำลังแผ่เมตตาแล้วเมื่อได้ทำแล้วจะได้รับอานิสงส์ของการแผ่เมตตาอย่างมากมายหนึ่งท่านบอกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเนี่ย อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าตื่นหรือหลับสองนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายสเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสเทวดาจะคุ้มครองรักษา 5. จะไม่ตายด้วยวิยะยาพิษหรืออาวุธเนี่ยคือจะไม่มีใครวางยาคนที่มีใจเมตตาจะไม่มีใครรอบทำร้ายคนที่มีความเมตตาด้วยอาวุธเนี่ย จะตายแบบธรรมชาติหกนี่จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่ห้าหกก็คือจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเจ็ดเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแปดถ้ายังถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คือประโยชน์ เนี่ยไปสู่สุขติเพราะได้เลื่อนได้เลื่อนระดับจิตใจจากมนุษย์ขึ้นไปสู่เทวดานั่นเองสุขติก็คือที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้ที่ไม่ทำบุญผู้ที่ไม่ทำบาปไม่เสบอบายามุขผู้ที่ทาบุญช่วยเหลือผู้อื่นนี่ตายไปก็จะไปสู่สุขติ น, นี่คือเรื่องของการคบคนดี จะได้เรียนรู้วิธีการทำตัวเราให้ดีเพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นระดับความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขของเทวดาเราก็ต้องไปหาความสุขที่เกิดจากการฝึกจิตฝึกใจทําจิตใจให้สงบ ด้วยการหัดนั่งสมาธิที่ทเรียกว่าสมถภาวนา เ, ออเราก็ต้องไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดสถานที่ทสงบแล้วก็ต้องไปถือศีลแปดกันเพราะศีลแปดนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะกันไม่ให้จิตใจของเราไปหาความสุขระดับต่ำนั่นเอง คือระดับของรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นระดับของเทวดาถ้าเราอยากจะขึ้นจากระดับเทวดาขึ้นสู่พรหมเราต้องหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนีการถือศีลแปดนี้ก็เป็นวิธีห้ามไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนีเชนศีลข้อสามก็เปลี่ยนมาเป็นจาก อ, าอะไรเวรมณีอ การไม่ประพฤติผิดประเพณีก็ให้มาเปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนคือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายทางกายนะซึ่งเป็นความสุขของเทพของมนุษย์ถ้าอยากจะได้ความสุขของพรหมต้องยุติต้องมาถือพรหมมาจันต้องมาอยู่แบบพรหมคืออยู่คนเดียวไม่ร่วมหลับนอนกับใคร นี่คือศีลข้อสามของศีลแปดแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกคือไม่หาความสุขจากการกินการดื่มให้กินให้ดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่ต้องกินมากเกินความต้องการของร่างกายกินแค่เที่ยงวันก็พอเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันถ้ายังกินต่อเดี๋ยวบ่ายก็กินอีกเดี๋ยวเย็นก็กินอีกเดี๋ยวข้ามก็กินอีกนะครับ ก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธินั่นเองไม่มีเวลามาภาวนาสิ่นข้อหกก็เลยต้องห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วสี่นข้อเจ็ดก็จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปดูไปฟังดูหนังดูละครเรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ล้องนาทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัว ดยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิสดารสร้สวยความงามด้วยการทําหน้าทำตาทําผผาทําผมต่างๆเพราะเป็นการเสียเวลาเป็นการหาความสุขระดับต่ําความสุขของเทพเราต้องการขึ้นไปเป็นพรหมเราต้องเลิกหาความสุขแบบนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขของพรหมคือการฝึกสมาธิน แล้วสินข้อที่แปดก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินไปจึงห้ามไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆคือเตียงที่สบายให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากร่างกายเวลาเหน็ดเหนื่อยมันนอนบนฟูกหรือบนพื้นแข็งๆมันก็หลับเหมือนกันแล้วพอมันได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมา ตางกันตรงที่ถ้านอนบนผูกหนา้ๆเตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่อยากจะลุกมันไม่อยากจะตื่นมันบอกขอนอนต่อดีกว่ามันสบายแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอมันตื่นขึ้นมาพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่อมันแข็งไม่สบายสู้มาลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิดีกว่าอันี่คือหน้าที่ของศีลมีไว้เพื่อ บล็อกกัน้นไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เราเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มาฝึกสมาธิกันนะพอเรามาฝึกสมาธิพอรู้จักวิธีฝึกวิธีฝึกสมาธิก็คือให้มาหยุดความคิดนั่นเองอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ วิธีที่จะหยุดความคิดก็ต้องมีกรรมฐานมีสติมีกรรมฐานเป็นตัวสร้างสติสติเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดแต่สติถ้าไม่มีกําลังก็ต้องอาศัยกรรมฐานเพิ่มกําลังกรรมฐานก็มีอยู่4ี่สชนิดแต่สำหรับผู้เริ่มต้นนี้เขาก็จะสอนชนิดสองชนิดคือพุทธโธให้เราเ ล, ลกถึงพระพุทธเจ้า หรือให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคอยเฝ้าดูว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่อไม่ให้ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ให้ฝึกไปก่อนฝึกสติขึ้นไปก่อนเพราะถ้ายังไม่มีสติวลานั่งสมาธิมันจะนั่งไม่ได้นั่งแล้วจะรู้สึกอึดอัดนั่งแล้วจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่งแล้วรู้สึกว่ามันทรมานพูด ง, ง่ายๆมันก็จะไม่อยากนั่ง เพราะไม่มีสติคอยควบคุมสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากนั่นเองแต่ถ้าเราฝึกสติมาก่อนเราจะควบคุมความคิดและควบคุมความอยากได้ในระดับที่พอที่จะทำให้เราเวลานั่งสมาธินี้จะไม่รู้สึกอิดอัดจะไม่รู้สึกทรมานถ้ายังทรมานอยู่นี่ยังนั่งไม่ได้ต้องไปฝึกเดินจงกรมฝึกสติพุทธโธไปทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหัดพุทโธพุทโธไปหรือคอยดึงใจให้อยู่กับร่างกายร่างกายทำอะไรใจก็ทำไปกับร่างกายอย่าทำคนละอย่างร่างกายอาบน้ำแต่ใจไปนู่นนะไปชอปปิ้งที่ไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติครับถ้ามีสติร่างกายอาบน้ำใจก็ต้องอาบน้ำด้วยร่างกายกินข้าวใจก็ต้องกินข้าวด้วยอย่าแยกทางกันอย่าไปคนละทิศ ถ้าคนละคิดน <for us. S 2> so ี rated, ground, anyway. it, ่เรียกว่าไม่มีสติควบคุมความคิดเพราะเวลาใจไปมันมันก็ไปด้วยความคิดนี่แหละมันไม่ได้ไปด้วยอะไรหรอกพอเราคิดถึงอคนนั้นคนนี้เราก็ไปแล้วเราไม่ได้อยู่กับร่างกายเราแล้วพอคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายเราแล้วถ้าเราดึงให้มันอยู่กับร่างกายเราไม่ได้ก็ลองใช้พุทโธดึงเอาให้ท่องพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับพุทโธแทนก็ได้ หรือถ้าพุโทโธมันสั้นไปอยากจะสวดเป็นบทอิติปิโสก็ได้สวดอิติปิโสผักกาวาไปวิธีใดเหล่านี้เป็นกรรมฐานเป็นวิธีฝึกสติเพื่อให้จิตมีกำลังหยุดความคิดเนี่ยพอเรามีกําลังสติมีกำลังพอเวลานั่งจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกทรมานแล้วพอให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธ อยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจถ้ามันอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวมันก็สงบนะพอสงบมันก็เรียกว่าเข้าฌานขั้นต่างๆพอเข้าฌานก็แสดงว่าเราได้เข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมกันนะออกจากสวรรค์ชั้นเทพเข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมได้ต้องเข้าไปในฌานนี่คือวิธีการยกระดับจิต ให้ขึ้นสูงไปตามลำดับต่างๆถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับพรหมเราก็ต้องพัฒนาจิตสอนจิตให้มีปัญญาให้เห็นใจรักษให้เห็นอริยสัจสี่เพราะถ้เห็นใจรักษณเห็นอริยสัจสี่ปัญญาก็จะดึงจิตให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลไปเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลำดับต่อไป พอไปถึงขั้นผ้าอรหันแล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดของจิตใจขั้นที่เป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นเป็นเป็นสถานาภาพของจิตที่หลุดพ้นจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเวีนเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายที่เราจะต้องเป็นกันต่อไปและจะเป็นกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับพระนิพพานให้ได้พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าให้ได้เท่านั้นถ้าเราครบกับพระอาหารหันต์คบกับพระอริยบุคลคลคบกับพระธรรมคำสอนเดี๋ยวเราก็ไปถึงเอง นับประกันได้อย่างพระพุทธเจ้าได้พูดไว้ไม่เจ็ดวันเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่แหละคือมงคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาเติมกันมาสร้างกันด้วยการไม่คบคนผานด้วยคบด้วยการครบบัณฑิตอเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาเอตัมมังกัลลมุตตัมังการไม่คบคนผานการครบบัณฑิต เป็นบงคนอย่างยิ่งตามที่ได้แสดงไว้นี่แหละก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติยุติตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิตาโตสัพเพปเรนตุสังกปายันโทปนะหราสุยท่า มณีโชติอารโสยะธาสพิตโยวิวาทชันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภว อะพิวาธนาสีลิตสนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมมวัานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วก็จะรอดถามวันนี้ทางบ้านาถ้าใครอยากจะไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามเท่าไหร่ค่ะทาง f ฟ c e b o o สองร้อยเก้าสิบสาม h You o สอง n ้อยเก้าสิบห้าวิออนไลน์สิบรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสองรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยท่านคะ่ะอพอดีเจ็ดร้อยเลยนะ ไม่มีเศษถ้าใครอยากจะถามเดี๋ยวส่งไปครับ <Okay. S 2> นามัสการครับก็ขอข้อกล่นเรื่องวิธีปฏิบัตินิดหนึ่ง uh huh. ที่แก่แล้วก็จะเข้าสู่คำถามนะครับ uh huh. สักสองสามวันก่อนมอีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงา น, นครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็ก็เลยตอนนั้นก็พยายามอ่านใช้ อานิยสักใช้ปัญญาไปดูว่าเออทำไมถึงได้ทุกภพ ท, ทุกขอ์อะไรแล้วก็พยายามไปหาเหตุแล้วก็ไปแก้ว่าเออเราอยากให้เป็นอย่างนั้นแตเป็นอีกอย่างแลก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็วางไปดูเบกขานะระหว่างนั้นก็ก็รู้สึกรลภก็เบาแต่ว่าก็ต้องไปจับอยู่กับพวกร่ะหายใจพวก็อยู่กับตัวรู้แทนไม่ไปอยู่กับตัวคิดที่มันคอยกังวลเราออะืมแล้วก็พอตอนนอนก็ก่อนนอนพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้านั่งสมาธิก็ผมก็จะใช้ เวลาลสติเพื่อเข้าอยู่วงปัจจุบันก็เข้าหลบหายใจครับแล้วก็หลับไปก็ตอนสมาธิก็โอเคแต่ว่าพอหลับก็คิดว่าคงยังมีความกังวลอยู่มันก็เลยตื่นขึ้นมาทีตอนสักตีสองตีสักตีสาะครับก็เลยมานั่งสมาธิต่อแล้วก็แล้วก็พอแล้วก็หลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่พอหลับอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับอเข้าไปในฝันนะครับเหมือนกับเหมือนกับเราไปอยู่อีกมิตติหนึ่งแล้วก็ไปเหมือนกับ มันกลับไปมันตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันมีกําลังมากแล้วมันก็เลยกลับมาให้รู้สึกว่าเออมันก็ย้อนกลับมาดูไอ้ปัญหามันเล็กนิดเดียวอืแล้วมันก็เลยแบบตัดไปเลยฮะแล้วเมื่อก่อนมันตัดแต่มันไม่ขาดนะฮะก็เลยจะถามพระอาจารย์นิดหนึงว่าไอ้ตัวไอ้มนุสย์ที่เขากําหนดในขณะที่เราตั่งสมาธิสมมุติว่าเหมือนกับทําให้คุมไอ้นั้นได้ครับไอ้สิ่งที่มันเกิดในฝันมันมีกําลังที่มันต่างกันแล้ว เพราะอะไรแล้ว เ, เราจะปฏิบัติยังไงให้มันได้ไที่มีกำลังอย่างนั้นอีกครับออก็มันเป็นผลจากการที่เราปฏิบัติตอนที่เราตื่นนะับตอนที่เราตื่นเราก็ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาไปพอถึงเวลาเราหลับมันยังทำงานต่อมันก็เลยไปแก้ปัญหาในขณะที่เราหลั บ, บก็ได้ที่มันก็อยู่ที่การพยายาม จเจริญปัญญาให้มากจเจริญสติให้มากครับพยายามทําใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางแล้วก็ใช้ปัญญาคอยห้ามใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆครเช่นนั้นแล้วเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอตายแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วครับพระฉะนั้นมันยกภูขเขาจกักผมด้วยกลายปเป็นเรื่อนที่กำบังกันเล็กนิดเดียวเหมือนกันลยครับที่มันอยู่ที่ว่าพอกลับมาแล้วมันจะใบแบกต่อหรือเปล่าถ้ามันยกออกแล้วมันต้อง จำให้ได้อย่าไปกลับไปแบกอีกพอไปแบกอีกก็ต้องทำให้มันปล่อยให้ได้ด้กอันหนึ่งความฝันยังอาจจะเป็นนิมิตบอกความจริงก็ได้ความจริงต้องเกิดในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์แบบนั้นแล้วเราจะยกมันออกจากอกเราได้เหมือนที่เราทำในฝันหรือไม่ ครับคือในฝันก็เหมือนกับก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เอะมันก็ตายไปแต่ว่าก็เลยแบบเอ๊ะตื่นมาแล้วยังพอตื่นขึ้นมาเหมือนยังมีลมหายใจอยู่ก็เลยมันลมหายใจเข้าออกก็มีความสุขแหละจริงก็จะไปยุ่งอะไรกับไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่เราทําเต็มที่เราจะทําทําได้หรือเปล่าเผอกลับไปครับใช่ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ไอ้เรื่องนั้นมันก็เลยตัดทายไปฮะแต่ว่าพอกลับมามันก็เหมือนกับช่วงนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิคิดว่ามันก็ที่ดีที่แบบเรามองไปแต่ว่า มันก็เลยเหมือนกับขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันค่อยๆเนื้อกลับไปมากลับไปมาครับเหมือนกับจับเปิดดับแหนออกแล้วกมันก็เลื่อมมาเดี๋ยวกิเลสมันก็กลับมาหลอกเรามาหลอกให้เรายึดมาเราก็ต้องคอยแหวกมันด้วยปัญญาใจรักใช้ใจรักใช้อนิจจังใช้อนิจจังอนัตตาครับฮะก็ต้องทําต่อหยุดไม่ได้สติคอยแหวกมันออกเราต้องคอยแหวกไว้อย่าให้มันกลับมาปิด ใครครับต้องใช้ปัญญาแบบใช้ทุกอย่างเป็นตายร้างแต่เราเราไม่สามารถที่จะจัดการมันช่วงที่เราตื่นแล้วว่ารู้มันต้องก็ต้องจาดการได้เรายังไม่รู้จักวิธีจัดการเราอย่าไปคิดว่าเราเราเราเป็นเดนเราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนตายครับอยู่แบบคนตายตายก่อนตายครับผม อย่างมันอนะต้องคิดแบบนั้นว่าเราเหมือนตายแล้วเราโยบบาลเขาปล่อยให้เรากลับมาทำงานที่ยังไม่เสร็จให้มันเสร็จรเราก็กลับมาทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเดี๋ยวรเราก็ต้องไปอยู่ที่ให้ต้องคิดแบบนั้นมันถึงจะปล่อยได้คครับครับบอบอเยังชร า, าใจไม่ได้นะยังทิ้งมานานุสติไม่ได้ต้องปล่อย ต้องปล่อยจนกระทั่งไม่มีความกังวลไม่มีอะไรกับมันแล้ว <มา S 1> ก็เป็นควา ม, วามสุขอพอปล่อยแล้วมันเบามันยกภูเขาออกจากอกนะนใส่เข้าออกก็เป็นความสุขใช่แต่ในชีวิตอยู่ก็พอแล้วะจะเอาอะไรไปวุ่นวายกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไม <c oughs> ทุกไปเปล่าๆต่อไป คำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะการจะช่วยเหลือบุพการีที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากจะช่วยได้อย่างไรคะเคยบอกแล้วเนื่องจากตัวเองมีความอวุโสมากกว่าเลยไม่ยอมรับฟังและเหตุผลเช่นการยอมรับความจริงว่ามีอายุไม่สามารถเดินได้สะดวกเป็นต้นเขาก็ต้องเรียนจากคนที่เขาเชื่อนั่นนะคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เรียน ถ, ถ้าเขาไม่เจอคนที่ก็เชื่อก็ช่วยไม่ได้จะให้ทำยังไงค่ะคำถามที่สองหลักการเจริญภาวนาที่ดีควรทำตนเองได้อย่างไรหรือแนะนำบุคคลอื่นเพื่อให้เห็นธรรมะที่แท้จริงได้อย่างไรก็เจริญสติเนี่ยการภาวนาเริ่มต้นก็คือการฝึกสติลืมเติมมตาขึ้นมาก็ต้องคอยหยุดความคิดคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดเลือเล่อยเปื่อย ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธท่องพุโทโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็บังคับให้มันทํางานควบคู่ไปกับร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็ทําไปกับมันอันนี้เป็นเบื้องต้นของการภาวนาถ้าทําขั้นนี้ไม่ได้ัจะไปนั่งสมาธิไม่ได้ผลนะฉะนั้นต้องพยายามทําขั้นนี้ช่วงที่ยังไม่ได้นั่งสมาธินี้ช่วงที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันชอบคิดนี้ต้องหยุดมันให้ได้ ค่ะคำถามต่อไปจากคุณข้วปุ้นคำถามที่หนึ่งค่ะพระศรีอานมาเกิดแล้วเพื่อสังสมบารมีหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเราไม่เจอเลยถ้าเจอช่วยบอกด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนค่ะคำถามที่สองค่ะบางสำนักไม่มีครูบาอาจารย์เป็นมนุษย์ที่ท่านมาสอนโดยทางนิมิตถามว่าเหตุการณ์นี้เป็นไปได้หรือคะที่มาเกิดทับซ้อนในพุทธกาลนี้ที่ยังไม่สิ้นเลยไม่รู้เหมือนกันนะ คำถามที่สามค่ะผู้ที่ใช้ชีวิตภาวนาถือศีลโดยการใช้ปัจจัยซึ่งเป็นของบิดามารดามาใช้ในการใช้จ่ายทำบุญทำทานถามว่าผู้ถือศีลคนนั้นได้ผลบุญไหมและบิดามารดาผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ผลบุญไหมคะก็ อ, อยู่ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าบิดามารดาเป็นเจ้าของทรัพย์บิดามารดาก็ได้ถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์เราก็ได้ คําถามต่อไปจากคุณกะศิพัฒน์กับเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าก่อนที่บ้านมีสารพระภูมิแต่ผมเป็นคนบอกให้คุณแม่ถอนออกต่อมาคุณแม่เกิดความไม่สบายใจจึงอยากจะตั้งสารพระภูมิใหม่แต่เราไม่อยากให้ท่านตั้งได้อธิบายกับท่านแล้วว่าไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาการที่เราทํา การที่เราห้ามไม่ให้ท่านทําจะผิดหรือเปล่าครับและผมได้อธิบายท่านว่าให้ท่านไหว้พระสวดมนต์รักษาสินนั่งสมาธิใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเจ้าที่แทนการนําสิ่งของต่างๆไปว่าที่สารพระภูมิครับการทําอะไรไม่ควรจะไปบังคับเขาบอกได้บอกว่าควรไม่ควรอย่างไรส่วนเขาจะทําตามเราหรือไม่นี้เป็นเรื่องของเขามันจะได้ไม่มีเวรในกรรมกัน ถ้าไปบังคับเขาให้ทําในสิ่งที่ก็ไม่อยากทำเดี๋ยวก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาได้ฉะนั้นบอกได้แต่อย่าไปห้ามค่ะคำถามต่อไปจากคนนิยาคําถามที่หนึ่งค่ะบางครั้งเราก็พยายามดิดเลี่ยงคนพาลแต่คนพาลมักจะเป็นมักจะมาพูดกับเราทําให้จิตใจหม่นหมองควรทําอย่างไรดีเจ้าคะเรา่มท่องพุโทโธไปเวลาเขาพูดเราก็เราก็พูดกับพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธไปไม่ต้อง ให้เขาพูดไปเราก็พูดโทของเราไปอคําถามที่สองค่ะถ้าเราทรมานจิตไม่ให้ทําความชั่วอยู่บ่อยๆนานๆเข้าจิตก็จะชินไปเองและไม่ทรมานเหมือนตอนแรกๆ แ, แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะท่านมีสติมากขึ้นมันก็จะไม่ทรมานเดี๋ยวมีคนที่นี่อยากจะถามคำถามใครเดี๋ยวรอไมโครโฟนไป อ้าเนีเ๋ยวได้ยินเหรอทําไมใช้ใหม่อะไรวะก็ อ, อนุญาตถามว่าอาจารย์ครับ<อ>าการเจริญสติให้ที่ว่าเป็นมหาสติให้รู้การรู้หลับรู้ตื่นนะครับก<อ>็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆอยงไงพุทโธไม่หยุดอย่าไปทิ้งช่วงคร<อ>ับพุทโธไปกินข้าวกับพุทโธอาบน้ํากับพุทโธต้องทำ <ละ S 2> ต่อนเนื่องตลอดเวลาใช่ไหมใช่ต่อนเนื่องไปอย่าให้มันขาด ค่ะขออนุญาตถามค่ะเ อ, อ่อการที่เราไปจําศีลภาวนาหรือว่ามาฟังเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราส่งบุญให้คนที่เขาไม่รับรู้อะเราส่งให้เพื่อนให้อะไรเงี้ยเขาไม่รับรู้แล้วเขาจะได้รับผลบุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ได้เลยเรายังกําลังสร้างอยู่บุญนี้เรายังไม่ได้ยังไม่สําเร็จค่ะถ้าทําหุงข้าวข้าวยังไม่สุกถ้าอยากจะส่งข้าวสุกไปไปซื้อที่ร้านเนี่ยไปทําทานเนี่ยมันเป็นข้าวเป็นบุญที่เร็วกว่า ถ้าอยากจะส่งบุญให้คนที่ตายไปแล้วก็ไปทำบุญใส่บาตรนี้บุญก็เกิดแล้วเท่าสุกนะแต่ล้บุญที่เกิดจากรักษาศีลนั่งสมาธินี้กาลังเป็นการกำลังต้มต้มข้าวอยู่<ฆ>ต้องใช้เวลาหน่อยไม่พูดถึงถ้าเราส่งให้เพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะมันยังไม่มีจะส่งมาสิไม่ยากนะมีก็ส่งไม่ได้ส่งให้คนเป็นไม่ได้ส่งให้แต่คนตายเนทะ่านั้น คนคเป็นก็บอกเขาวิธีให้เขาหุงข้าวกินเองให้เขาไปหุงเองหนูไม่ถามบัางเลยหาคำถามต่อไปจากคนณชีวคลายความสงสัยเรื่องคนที่ไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญเขาอยู่ของเขาปกติจะเป็นอย่างไรลงแล้วเจ้าคะเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะ ดีเข้าใจแล้วก็แสดงว่าเนี่ยการฟังธรรมอันนี้สองกการฟังธรรมมันข้อหนึ่งก็คือจะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณจริงขอบคําถามที่หนึ่งคะ่ะปัจจุบันทำได้แก่อะไรบ้างครับเสีเ่ยววินาทีที่แล้วเป็นอดีตอนาคตเป็นความคิดสองอสุภะภายในได้แก่อะไรบ้างครับ ปัจจุบันก็ให้อยู่ปัจจุบันเลยอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตมันก็อยู่ปัจจุบันอยากให้จิตอยู่ปัจจุบันก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาหรืออยู่กับร่างกายมันก็เป็นปัจจุบันแต่ถ้าไปคิดปั๊บมันก็จะไปล่ะไปอดีตไปอนาคตทันทีอสุภาพภายในก็คือภาพที่เรานึกขึ้นมาในใจเราไงตอนต้นเราก็ไปดูอสุภาพภายนอกก่อน ไปดูภาพภายนอกก่อนแล้วเอามาจดจําไว้เหมือนสูตรคูนเนี่ยตอนต้นเราดูสูตรคูนที่ในหนังสือก่อนสองคูนสองเป็นสี่สี่คูนสี่เป็นสิบหกเนีแล้วเราก็เอามานึกเอามาคิดไว้ต่อไปมันก็ปรากฏขึ้นมาในใจเราเป็นสูตรคูณภายในอสุภะก็แบบเดียวกันถ้าเรายังไม่มีอสุภะภายในเราก็ต้องไปอาศัยอสุภะภายนอกสร้างอาสุภะภายใน เยี่ยมปา่าช้าไปดูเขาผ่าศพนะดูแล้วก็เอาคำมา น, นึกเอามาคิดอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นภาพภายในขึ้นมาเป็นอสุภะภายในขึ้นมาพอเห็นภาพข้างนอกสวยพอนึกถึงภาพภายในไม่สวยมันก็มันก็จะกําจัดกามอารมณ์ได้เพราะกามอารมณ์ ม, มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจค่า <c oughs> <c oughs> คำถาต่อไปจากคุณวันนิสรา โยมเดินจงกรมได้จุดที่ตรงกลางตรงหน้าอกขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติต่ออย่างไรคะไม่ควรจะดูที่หน้าอกแล้วควรจะดูที่เท้าดีกว่าดูที่ทางเดินเราเดินไปดูข้างหน้าดูไปว่ามีงูมีอะไรขวางทางหรือเปล่าแล้วก็ดูที่เท้าไปให้รู้ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่คือวิธีเดินจงกลมอีกวิธีก็เดินไปให้ท่องพุทโธไปกันถาที่เราเดินก็นได้พุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวค่ะคำถามต่อไปจากคุณสัญญาลักษ์กับเรียนถามครับผู้รู้คืออวิชชาใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกผู้รู้ก็คือผู้รู้อวิชชาคือความหลงความไม่รู้ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ไตรลักษนี่เรียกว่าอาวิชชา ผู้ที่รู้อริยศัสตร์สี่ผู้ที่รู้ตายรักก็คือผู้มีวิชาคำถามต่อไปจากคุณมนตรีค่ะเวลานั่งสมาธิทำไมจิตถึงสื่อกับดวงวิญญาณได้คะพยายามท่องพุทโธแล้วก็ยังมาค่ะแต่ไม่ทำร้ายอะไรนะคะแค่มาสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญให้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเป็นปลอมนะของนิมิตนี้มันมีทั้งของจริงและของปลอม ส่วนใหญ่ผู้ที่ยังไม่มีจิตสงบนี่เจอของปลอมทั้งนั้นนะเป็นเจอของจิตผลิตขึ้นมาหลอกตัวเองคนที่จะเจอของจริงนี้ต้องผ่านความสงบไปก่อนต้องเข้าสู่ความสงบเปน็นอัปปนาสมาธิขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถเข้าไปเจอของจริงได้หา ค, คำถามต่อไปจากอินบ็อกของ Facebook ค่ะในกรณีที่หมอวินิชัยเราผิด จนทำให้ต้องยุติกันแล้วมาทราบทีหลังว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งแบบที่หมอว่าแบบนี้จะทำยังไงดีคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คุยกับหมอดูแต่จะทำยไงคุณเป็นคนไข้กับหมอก็ต้องคุยกันค่ะถ้าหัดนั่งยังไม่แข็งแรงแต่จิตใจ คำถามคนต่อไปนะคะขอโทษค่ะถ้าหัดนั่งยังไม่แข็งแรงแต่จิตใจอยากช่วยแพ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลนั่งเสร็จแล้วรู้สึกสบายดีแต่ก็รู้ตัวว่ายัางแต่ฝึกหัดแต่ใจจริงอยากจะส่งบุญสําเร็จไหมคะก็ส่งไปก็แล้วกันสําเร็จไม่สําเร็จเราก็ไม่รู้แห ล, วแลว ะ, ะวมดแล้วนะถ้าคิดว่าส่งได้ก็ส่งไปส่งให้ใครก็ถามว่าดูได้รับหรือเปล่า หรือรับไม่รับก็ไม่สนใจขอให้ส่งแล้วเราให้มีความสบายใจก็ส่งไปก็ได้ความจริงการส่งบุญไปให้กับผู้ที่ร้องรับไปแล้วนี้คนตามปกติความจริงต้องมีเหตุต้องเขาต้องมาข อ, อก่อนมาขอว่าเขาเดือดร้อนอยากจะได้บุญเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขามาเข้าฝันหรือมาทำนิมิตอะไรให้เรารับทราบว่าเขาต้องการอันนั้นน่เราก็ส่งบุญไปให้เขา แล้วถ้าเขาได้รับแล้วเขาก็จะไม่มาเขาก็จะไม่มารบ ก, กวนเราไม่มาส่งอะไรมารบ ก, กวนใจเราอันนี้เป็นธรรมดาแต่เราถือว่าการส่งบุญเป็นเป็นอัตโนมัติไปแล้วเดี๋ยวนี้ทำบุญปับ๊บกวดไปแล้วใครจะขอไม่ขอจะรอไม่รอก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้วดีไม่ดีก็เยอยากจะไปส่งให้คนที่ไม่ตายอีกด้วยมันก็เลยสับสนวุ่นวายกันไปหมด คำถามต่อไปจากคุณสิวิพรเพื่อนฝากถามว่าการรักษาสินแปดทำไมต้องรักษาพมารมาจย์คะ่ะอ่ามันก็เป็นข้อหนึ่งของสีลแปดใช่ไหมอือดังนั้นถ้าไม่รักษาข้อนี้ก็เหลือสินเจ็ดเลยมีไว้เพื่อระงับการเสพกามพูดง่ายๆสินแปดนี่ระงับการเสพกามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสน่วมหลับนอนกันก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนเอาไง ใช่ไหมเราต้องเห็นรูปของแฟนได้ดมกลิ่นของแฟนได้จับได้คำนั่งกายของแฟนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกามการเสพกามถ้าต้องการจะถือศีลแปด ก, ก็ต้องเลิกการเสพกามคำถามจากคุณวัชราวิทย์เกิดชาติหน้าถ้าเราได้เป็นคนอีกจะเป็นคนชอบฟังธรรมและนั่งสมาธิ ไหมครับเราเคยทำอะไรเราก็จะมาทำต่อเราถนัดขวาก็จะถ้ามาถนัดขวาต่อถนัดซ้ายก็จะถนัดซ้ายก่อเคยเล่นดนตรีก็กลับมาเล่นดนตรีต่อเห็นไมเด็กบางคนอายุไม่กี่ขวบเล่นเป็นโนเล่นไวเลนไดนะ้เพราะเขาเคยเล่นเขาเคยชํานาญมากับเรื่องราวเหล่านี้บางคนก็เป็นนักแสดงตัวไม่อายุไม่เท่าไหร่เต้นรัางเต้นกาสแสดงอะไรต่างๆได้ บางคนก็เป็นนักกีฬาแล้วแต่เคยเป็นอะไรเคยถนัดอะไรมันก็กลับมาเป็นต่อทําต่อไม่เคยเป็นอะไรก็กลับมาแบบไม่เป็นอะไรใครซื้อบื้อก็กลับมาซื้อบื้อ <c oughs> เคยฉลาดก็กลับมาฉลาดเนี่ยมั น, ม, นมันเพ่งร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเปลี่ยนตัวเราปะเราก็ยังเหมือนคนเดิมอยู่ไง อีนน้ใส่ชุดพระอินพวกนี้ใส่ชุดประธานาธิบดีมันมก็ไม่ได้เป็นทําให้เราเป็นพระอินหรือเป็นประธานาธิบดีเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่จิตเราก็เป็นแบบนั้นเปลี่ยนร่างกายก็เป็นเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าของจิตนะค่ะแล้วทําอย่างไรให้จิตใจไม่ฝักไฟลงสู่ที่ต่ําช่วยอีกครับก็ต้องอยู่กับคนดีไงคนที่ไม่เดึงให้เราลงต่ํำถ้าเราจะลงต่ํำเราก็ต้องห้ามใจเรา เรามีคนพาณข้างนอกแล้วยังมีคนพาณข้างในด้วยคนพาณข้างในก็คือจิตใจของเราที่คิดฝ่ายต่ำนี้นี่ก็เรียกถือว่าเป็นคนพาณคนพาณภายในเราก็ต้องพยายามสร้างคนบัณฑิตภายในให้มันคิดให้มันชวนเราไปทําแต่สิ่งที่ดีที่งามห้าคําถามต่อไปจากคุณกํำธรค่ะ บ, บุญวัตถุทั้งสิประการอุทิศให้ได้เหมือนกันใช้หรือไม่ครับไม่ใช่แค่ทานสินเท่านั้น ไม่หรอกเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเขาอุทิศด้วยทานทํา ท, ทานอย่างเดียวบุญอย่างอื่นเขาไม่อุทิศกันแต่จะอุทิศก็ไม่ว่านะเราไม่รู้นะแต่เราเท่าที่ได้ศึกษามาพระพุทธเจ้าสอนถ้ามีดวงวิญญาณมาขอบุญก็ทําบุญใส่บาตรไปแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปส่วนบุญอย่างอื่นท่านไม่ได้สอนให้เป็นบุญอุทิศเนี่ยแต่ถ้าจะอุทิศก็แล้วแต่ไม่ห้ามไม่มีใครก็ห้าม การการเจอุทิศมันก็ต้องมีผู้รอรับไม่มีผู้รอรับอุทิศไปมันก็ไม่เหมือนกับส่งของไปไม่ไม่ได้เขียนชื่อผู้รับมันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนมีอีกไหมไม่มีแล้วนะใครอยากจะถามไหมราไม่ถามก็คิดว่าเอวังมีด้วยประการลัคนิขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ